ที่ประเทศลังกาเมื่อสูนยกว่าปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งบ้านแกนอยู่ใกล้ๆกับทะเลทุกวันนะก็จะเอาอาหารไปเลี้ยงปลาปลานี้ก็อยู่ในเทสาบทะเลสาบที่ก็ติดกับทะเลนะก็เลี้ยงปลายานี้ทุกวันนะด้วยขนมปังนะต่อมาก็มีจระเข้ตัวหนึ่งนะมันว่ายเข้ามาใกล้ฝั่ง จะเห็นแกก็เลยโยนขนมปังให้จระเข้จระเข้มันก็ชอบนะเพราะว่าทุกทุกวันเนี่ยมันก็จะมามาทุกเช้าเลยชายคนนี้แกก็เลี้ยงไม่เลือกนะจะเป็นปลาหรือจรเอะเข้ขนมปังก็ให้จนกระทั่งจระเข้นี่ยแกเป็นขาประจําเลยคนก็ทักท้วงไงนะว่าให้จระเข้ทําไมนะมันจัดอันตรายนะ แกก็ไม่สนใจนะเพราะว่ามันมามันมาหาเนี่ยทำงี้อยู่นานนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่26ธันวานะ2547นะจำได้ไหมวันนั้นเนี่ยสำคัญอย่างไร26ธันวา47เกิดสึนามิสึนามินี่มันอ่าไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่เมืองไทยนะกระจายไปถึงพมา่าแล้วก็หลังกายอินเดีย ตอนที่ซึนามิมาถึงลังกาเนี่ยนะชายคนนี้คนนี้ก็กําลังนะอยู่ที่ริมทะเลสาบนะก็ทํากิจวัตรเหมือนเดิมคือให้อาหารทั้งปลาทั้งจระเข้บอกว่าเครื่องซูนามิมันซัดเข้ามาพอมันซัดเข้ามาเสร็จนะเครื่องมันก็ออกไปตีก็ออกออกออ ก, ออกสู่ทะเลนะมันซัดเข้าม า, าฝั่งแล้วก็มันก็ลาก อะไรต่ออะไรเนี่ยลงทะเลไปเลยชายคนนี้ก็ถูกน้าถูกคลื่นเนี่ยซัดออกไปนะออกจากชายฝั่งแรงมากเราก็พยายามที่จะหยิบฉวยพวกไม้พวกอะไรที่ใกล้มือเพราะว่ า, ากำลังจะสำลักสำลักน้ำนะเห็นเก้าอี้ก็ชวยเก้าอี้เอาไว้เพราะว่าเก้าอี้ก็โดนน้าซัดจนแตกกระจาย มีท่อนไม้ก็จับท่อนไม้ไวะนะท่อนไม้ก็หลุดมือเขอบาบังเอิญเข้าไปเจอท่อนนึ่งนะมันเห็นท่อนไม้อยู่ขนาดใหญ่เหมาะมือแล้วเขาเล ย, เลยจับเอาไว้จับแน่นเลยนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ถูกซัดออกไปนอกฝั่งครบสักพักก็ังเสัย ไ, ไอ้ทาไมไอ้ไม้เนี่ยหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันถูกซัดออกไปห่างจากฝั่งเรื่อยๆแต่ท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ยมันกลับ เคลื่อนเขาหาฝั่งนะไม้ท่อนนี้มันพาเขาหาจนกระทั่งใกล้ถึงฝั่งเนี่ยเขาก็อคือเขาปลอดภัยแล้วก็เลยว่าเขาหาฝั่งแล้วก็กลับมองกลับไปที่ท่อนไม้ท่อนนี้ทำไมันมันมีหางนะมันคือจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาเนี่ยให้อาหารมันนะมันเป็นจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาให้อาหารมันทุกเช้าทุกเช้าเขาไม่เชื่อสายตายนะว่า จระเข้นี่มันมาช่วยชีวิตเขาเชียวหรือนะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นจริงนะมันเป็นจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาให้อาหารมันมันคงสำนึกในบุญคุณของเขาอะนะแล้วพอเห็นเขานะตกอยู่ในอันตรายมันก็มาช่วยทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าจระเข้เนี่ย ม, มันช่วยชีวิตคนนะและเป็นคนเดียวกับที่ให้อาหารมัน อันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าสัตว์นี่มันก็มีนะความรู้สึกสำนึกบุญคุณนะจะเรียกว่ามันมีความกระตันอยู่รู้คุณก็ได้มันไม่สัตว์เลื้อยคลานนะนตระกูลเดียวกับตัวเงินตัวทอง น, นะแต่ว่ามันมีความสำนึกในบุญคุณตอนที่ชายค น, นนั้นให้อาหารจระเค้นะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ก็ททำเนี่ยมันมี ผลนะความดีที่ได้ทำนี่ไม่สูญเปล่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะเรื่องความอาเอื้อเฟื้อของสัตว์นี่นะบางทีมันก็น่าทึ่งนะมีชาวเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าว่ า, าแกทำงานอยู่ที่เรือเดินสมุทรนะเรือเดินสมุทรนะแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยคลื่นลมมันแรงมากนะ เขายืนเขาทํางานอยู่นะตรงข้างบนเนี่ยตรงดาดฟ้าเนี่ยเพราะว่เรือเป็นโครงเแ็งนะจนกระทั่งเขาเนี่ยถูกอตกลงไปในทะเลตกลงไปในทะเลเนี่ยเขาก็พยายามเรียกร้องคนนะในเรือนะให้ล้วนเนี่ยเขาอยู่ในทะเลนะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาแล้วเรือก็ค่อยห่างไปห่างไปไกลเรื่อยๆคุณนึกถึงนะคนที่ตกอยู่ในทะเลเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยนะจะทําอย่างไร มองไม่เห็นฟั่งเลยขณที่พยายามที่พยุงตัวไว้นะก็บังเอิญไปเจอคล้ายๆเป็นเอเป็นทุ่นใหญ่ๆอยู่ทุ่นหนึ่งนะก็เลยว่ายไปที่ทุ่นนั้นแล้วก็กอดอยู่บนทุ่นนั้นน่อยอยังชั่วยหน่อยนะเพราะว่าถาวายน้ำตลอดเวลานี้มันเหนื่อยก็ไปพักเอาแรงอยู่บนทุ่นนั้นพอหายเหนื่อยแล้วบอกว่าสังเกตดูไอ้ทุ่นนี้นยมันแ ป, กแปลกๆน ะ, ะบอกว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นหลังเตา่า นังต่าตัวใหญ่มากเลยและเต่าเนี่ยนะมันมันลอยคออยู่บนทะเลอยู่เหนืออยู่ตรงผิวน้ำสักพักก็ต้องลงไปนะลงไปในในน้ำนะชายนี้ก็กลัวทีเดียวนะว่าถ้าถ้าเต่านี่มันดำน้ําเนี่ยนะเขาตายแน่เลยเขาก็บอกเต่าว่าอย่าดำนะอย่าดำนะขอใลอยคออยู่บนทะเลเนี่ยนะเพราะว่าดูเหมืนมันดูมื น, น, มนว่มันเชื่อนะมันก็ลอยคออยู่บนทะเละนะั่นแหะอยู่นานทีเดียวจนกระทั่งเขาเห็น มีเรือเดินสมุทรอีกลำหนึงแล่นผ่านมาเขาก็เลยตะโกนเรียบนะคนเห็นนะคนบนเรือนั่นเห็นเขาก็เลยนะเอาเรือมาเทียบกับเต่านะแล้วก็รับเขาขึ้นบกแล้วเขาขึ้นเรือแล้วก็เอาเต่าขึ้นมาด้วยจากเขาก็บอกขอร้องนะว่าอย่าฆ่าเต่าตัวนี้นะเพราะว่ากับเต่าตัวนี้ช่วยชีวิตเขานะคนในเรือก็เลยอ่า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 แกก็รับนะว่ารับรับจะรักษากรณีนี้คนไข้คนนี้เพื่อนหมอก็แปลกใจนะว่ารับได้ยังไงมันไม่ไหวแล้วไม่ไมีรอดหรอกแต่แกแก็ยังยืนยันนะว่าต้องช่วยแล้วแกทำทุกวิถีทางเลยนะพยายามติดต่ออาศัยเส้นสายเนี่ยที่มีเนี่ยติดต่อหมอที่เก่งๆด้านต่างๆเนี่ยนะมาช่วยมาช่วยแกนะใช้เงินใช้ทองมากทีเดียวนะ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 เมื่อพิอยงคนนี้กลับไปที่ลงกลับไปที่บ้านเนี่ยนะก็หลอบินนะสองสวันต่อมาบินลงพยาบาลเขามาตอนที่เปิดซองนี่เขาก็ตกคงเสียวเลยนะเพราะว่าเงินคงจะหลายแสนดอลลาร์นะเพราะว่ามันมีแต่ข้อความสั้นๆว่าอค่ารักษาพยาบาลได้จ่ายแล้วเมื่อ25ปีที่แล้วด้วยนมแล้วก็คุกกี้สองชิ้นพิยมคนนี้งงเลยนะเรื่อ ง, องเรื่องเป็นยังไงเรื่อ ง, องเรื่องคือว่า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 ให้นมนะหนึ่งแก้วแล้วก็คุกกี้สองชิ้นนะนังศึกษาภาพคนนี้ประทับใจมากนะประทับใจมากได้ผ่านไปยี่สิบห้าปีเนี้ยก็ไม่ลืมงั้นตอนที่แกได้กลายเป็นหมอยใหญ่นะยี่สิบห้าปีผ่านไปแกกลายเป็นหมอยใหญ่พอแกเจอเคสนี้แกเห็นชื่อแกก็เอะใจก็เลยสอบถามรายละเอียดก็พบว่าใช่เลยนะเป็นคนเดียวกับที่เคยมีเมตตาช่วยเหลือแก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 อาจจะ1ปีอาจจะ5ปี10 ป, ป, ปีก็ได้ใครจะรู้อาระเตรียมรับพร